บุพกรรมของพระอินทร์พระอินทร์ซึ่งเป็นพระราชาของเทพชั้นดาวดึงมีประวัติเล่าไว้ในอัตถกถาทั้งหลายว่าก่อนแต่ไปเกิดเป็นเทวราชได้เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านมัจลคามในมคตรัฐเป็นบุตรของสกุลใหญ่ได้นามในวันขณะนามว่ามคัคคุมานแต่เรียกกันเมื่อเติบโตขึ้นว่ามัคมานพมีภรรยาและบุตรธิดาหลายคน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 มีปกติชอบสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นที่เรียกว่ารมณียะต้องการให้ท้องถิ่นทั้งหลายเป็นรมณียสถานทั่วๆไปดังที่เล่าไว้ในอัถกถาเริ่มเรื่องว่ามคมานพไปทํางานในหมู่บ้านก็ใช้เท้าเกลี่ยฝุ่นในที่ซึ่งยืนอยู่ให้เรียบคนอื่นเข้ามาแย่งที่ก็ไม่โกรธ ถ, ถอยไปทําที่อื่นให้เรียบต่อไป คนทั้งหลายก็มักพากันยึดที่ซึ่งมคมาโนเกลี่ยเรียบไว้แล้วมคมาโนเห็นว่าคนทั้งปวงมีความสุขด้วยกรรมคือการงานของตนฉะนั้นกรรมนี้พึงเป็นบุญกรรมที่ให้สุขแก่ตนแน่ก็ยิ่งมีจิตขมักขมิ่นที่จะทำพื้นที่ให้เป็นรมณียะมากขึ้นจึงใช้จอบขุดประพื้นที่ให้เรียบเป็นลานให้แก่คนทั้งหลายเอาใจใส่ให้ไฟให้น้า ในเวลาที่ต้องการต่อไปก็แพ้่ถางสร้างทางสำหรับประชาชนชายหนุ่มอื่นได้เห็นก็มีใจนิยมก็มาสมัครเป็นสหายร่วมกันทำงานเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนนับได้33าคนทั้งหมดช่วยกันขุดกล่นถมทำถนนยาวออกไปจนถึงประมาณโยชหนึ่งสองโยดฝ่ายในบ้านเห็นว่าสหาย33าคนเหล่านั้น ประกอบการงานที่ไม่เหมาะไม่ควรจึงเรียกมาสอบถามและสั่งให้เลิกแต่33สาสหายกล่าวว่าพวกตนทําทางสวรรค์จึงไม่ฟังคำห้ามของนายบ้านพากันสร้างทางต่อไปนายบ้านมีความโกรธจึงไปทูลฟ้องพระราชาว่ามีโจรคุมกันมาเป็นพวกพระราชาไม่ได้ส่งพิจารณาไต่สวนมีรับสั่งให้จับมาทั้งสาคนแล้วรับสั่งปล่อย ช้างให้เหยียบเสียให้ตายทั้งหมดมัคามานพได้ให้โอววาสหายทั้งหลายให้พร้อมกันไม่ทำความโกรธแผ่เมตตาจิตไปยังพระราชาหนึ่งในบ้านหนึ่งช้างหนึ่งให้ตนเองหนึ่งให้เสมอเท่ากันทั้งสี่ฝ่ายชนทั้งหมดได้ปฏิบัติอย่างนั้นช้างไม่อาจจะเข้าไปใกล้โดยเมตตาุภาพของชนเหล่านั้นพระราชาทรงทราบมีพระราชดาริว่า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 ทรงสมนัสทรงขอโทษมคมานบและสหายแล้วทรงปลดในบ้านออกจากตำแหน่งทรงลงโทษให้เป็นทาสของพวกเขาและได้พระราชทานช้างนั้นให้เป็นพานะพร้อมกับบ้านหมู่นั้นให้เก็บสวยบริโภคตามความสุขคือทรงตั้งให้เป็นนายบ้านแทนคำว่านายบ้านเรียกว่าคามาโพชกะแปลว่าผู้กินบ้านตรงกับ คำเก่าว่ากินบ้านกินเมืองเพราะตามธรรมเนียมในครั้งนั้นผู้ที่ได้รับตําแหน่งให้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองย่อมเรียกเก็บสวยในบ้านเมืองนั้นบริโภคสหายทั้งส3เมื่อพ้นโทษออกมาทั้งได้รับพระราชทานกําลังสนับสนุนก็ยิ่งเห็นอานิสงส์ของบุญมีใจผ่องใสคิดอ่านทาบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกได้วางกําหนดการสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชน เป็นถาวรวัตถุที่หนทางใหญ่สีแพร่งได้เรียกนายช่างมามอบหมายให้ทำการสร้างแต่ห้ามมาตุคามคือผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้างศาลานั้นมคมานบมีภรรยาสี่คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมมานางสุชาดานางสุธรรมมาได้ให้สินบนนายช่างขอให้ช่วยให้ตนเป็นเชตกะคือ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 เพื่อให้การงานสำเร็จพวกเขาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงจึงยอมรับช่อฟ้าของนางสุธรรมมาเมื่อยกช่อฟ้าขึ้นติดแล้วศาลาก็เป็นอันเสร็จบริบูรณ์คนทั้งปวงก็พากันเรียกว่าศาลาสุธรรมมาชื่อของนางสุธรรมมาคนเดียวปรากฏชื่อของชนทั้ง33ไม่ปรากฏฉะนั้นนางสุธรรมมาก็กลายเป็นผู้มีส่วนสาคัญของศาลา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 ไม่เลือกว่าหญิงหรือชายถ้าเขาปรารถนาจะมีส่วนทําบุญด้วยแล้วก็ต้องหาวิธีทําด้วยจนได้มรรคมนบได้แบ่งศาลาออกเป็นสมส่วนคือทำเป็นที่อยู่ที่พักสาหรับอิสรชนส่วนหนึ่งสหรับคนเข็นใจส่วนหนึ่งสหรับคนไข้ส่วนหนึ่งและทั้ง33คนได้ปูลาดแผ่นอาสนะไว้ทั้ง33ที่โดยตกลงกันไว้ว่า อาคันตุกะเข้าไปพักบนแผ่นอาสนะของผู้ใดก็เป็นภาระของผู้นั้นจะรับรองเลี้ยงดูมัชฌมานนปลูกต้นทองหลางคือโกวิลาละไว้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลศาลาภายใต้ต้นทองหลางได้วางแผ่นหินไว้ฝ่ายนางสุนันทาคิดว่าผู้ชายเหล่านั้นห้ามพวกเราผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้างศาลา ด, ด้วยแต่นางสุธรรมมาฉลาด จึงได้มีส่วนทำช่อฟ้าปรารถนาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมด้วยคิดเห็นว่าควรให้ขุดสระโบกรณีเพื่อผู้มาอาศัยศาลาจะได้ดื่มได้ใช้อาบจึงให้ขุดสระโบกรณีนางสุจิตราเห็นนางสุธรรมมาและนางสุนันทาได้ทำกุศลก็ละอย่างแล้วปรารถนาจะทำบ้าคิดเห็นว่าคนที่มาอาศัยศาลาได้ดื่ม และอาบน้ำแล้วก็ควรจะได้ประดับมาลัยดอกไม้จึงให้สร้างสวนดอกไม้เป็นที่รื่นรมได้จัดหาไม้ดอกและไม้ผลต่างๆมาปลูกไว้โดยมากจนถึงกล่าวกันว่าไม้ดอกและไม้ผลชื่อโน้นจะไม่มีในสวนนั้นเป็นไม่มีคือว่ามีเป็นส่วนมากส่วนนางสุชาดาคิดว่าตนเป็นที่ดาของลุงของมัคมานกและเป็นภรยาด้วยฉะนั้น กรรมที่มะคับทําก็เหมือนเป็นของนางหรือกรรมที่นางทาก็เป็นเหมือนของมคคะจึงไม่ทํากุศลอะไรเอาแต่ใช้เวลาตกแต่งร่างกายให้งดงามอยู่เสมอเท่านั้นเพื่อให้เป็นที่รักของมคามานพอย่างไม่จืดจางแล้วก็ปรากฏในเรื่องต่อไปว่านางสุชาดาได้เป็นที่รักมากของเท้าสกเทวราชจนถึงชื่อของนางได้ไปเป็น พระนามของเท้าสกเทวราชพระนามหนึ่งว่าสุชัมบดีแปลว่าสามีของสุชาคือสุชาดามาขามานพกับสหายบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ดังกล่าวอีกในหนึ่งกล่าวว่าบำเพ็ญวัตบทเจ็ประการดังจะกล่าวถึงข้างหน้าตลอดมาสิ้นชีวิตแล้วจึงเกิดในภพดาวดึงคือ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาซิเนรุมคมานพเป็นเท้าส ก, กะเทวราชหรือพระอินเมื่อพระอินและสหายขึ้นไปบังเกิดนั้นพื้นที่ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นนี้หาได้ว่างเปล่าอยู่ไม่เพราะได้มีเทพพวกหนึ่งมาบังเกิดอยู่ก่อนแล้วพวกบุปะเทพคือเทพผู้เกิดอยู่ก่อนเหล่านี้มีเท้าเวปจิตติเป็นหัวหน้า จะเรียกชื่อสวรรค์ชั้นนี้ในสมัยที่พวกบุปราเทพเหล่านั้นอยู่ว่าอย่างไรไม่ปรากฏแต่คงจะยังไม่เรียกว่าดวดึงซึ่งมีความหมายเฉพาะถึงเทพพวกหลังหรืออาจจะยังไม่เป็นสวรรค์ก็ได้เพราะยังไม่มีทิพยสมบัติต่างเช่นเวชยันต์ประสาทเป็นต้นเทียบเหมือนอย่างว่ายังเป็นเมืองป่าอยู่เมื่อเทพพวกหลังบเกิดขึ้น33องค์แล้ว เทพพวกกอนได้ทําสการะต้อนรับเทพผู้มาใหม่พิธีทาสการะต้อนรับคือแจกดอกประทุมทิพให้แบ่งความเป็นราชาให้กึ่งหนึ่งน่าจะหมายความว่าแบ่งบ้านเมืองให้ครอบครองครึ่งหนึ่งและเชิญประชุมเลี้ยงคันทุบานร่วมกันอย่างเต็มที่ดูจะเป็นพิธีต้อนรับเข้าเป็นพวกเดียวกันเท้าสกะเทวราชยังไม่พอใจที่จะเป็น พระราชาครอบครองเพียงกึ่งสวรรค์ได้นัดหมายบริษัทของตนมิให้ดื่มทิพยสุราแต่ให้แสดงเหมือนอย่างดด่มเมื่อเทพสองพวกมาประชุมเลี้ยงกันในครั้งนั้นเทพเจ้าถิ่นพากันดื่มทิพยสุราจนเมาล้มกลิ้งเกลือกอยู่ฝ่ายเทพผู้มาใหม่ไม่ดื่มครั้นเห็นเทพเจ้าถิ่นเดิมพากันเมาสิ้นสติไปทั้งหมดแล้ว ท, กกท้าวสก่เทวราชก็สั่งให้ช่วยกันจับพวกเทพเจ้าถิ่นเดิมเวียงลงไปจากยอดเขาสิเนรุเทพเจ้าถิ่นเดิมมีบุญที่ได้ทำไว้น้อยจึงตกลงไปยังเชิงเขาซิเนรุเกิดเป็นเมืองขึ้นภายใต้เขาซิเนรุมีขนาดเดียวกันกับดาวดึงมีสิ่งต่างๆคล้ายคลึงกันเช่นดาวดึงมีต้นปริชัตกะพบใหม่มีต้นจิตตะปาตาลี พวกบุปผเทพเมื่อถูกเหวี่ยงตกลงมาอยู่เมืองใต้เขาซิเนรุกก็ได้ชื่อว่าอสุรภพที่อยู่ก็ชื่อว่าพบอสุรคำว่าอสุรแปลว่าไม่เป็นใหญ่รุ่งเรืองเหมือนสุระคือเทพหรือเป็นข้าศึกต่อสุระคือเทพดังที่ได้แปลมาแล้วข้างต้นโดยที่แท้ก็คือเทพพวกหนึ่ง แต่มีบุญต่ําต้อยกว่าเทพพวกหลังท้าวส ก, กะเทวราชกับสหายก็ได้ครอบครองสวรรค์ชั้นนั้นทั้งหมดส่วนพวกบุปผเทพหรืออสุราเมื่อต้องไปอยู่เมืองใต้เขาิเนรุก็ผูกใจเจ็บแค้นยกทัพขึ้นไปทําสงครามกับเทพบนเขาเพื่อยึดเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงคืนเนืองเนืงองฤดูของสงครามระหว่างเทพกับอสุราโดยปกติคือ ฤดูต้นไม้ประจําเมืองทั้งสองออกดอกพระอาจารย์ยังพรรณนาไว้อีกว่าพบทั้งสองนี้สวยที่ปะยะสมบัติเช่นเดียวกันมีขอบเขตแต่ละสิ่งต่างๆคล้ายกันจนถึงพวกอสุระเองก็เข้าใจว่าอสุระบุรีเป็นเมืองเก่าของตนคือดาวดึงครั้นต้นจิตตะปาตะเลออกดอกได้เห็นดอกของต้นไม้นี้จึงทราบว่าไม่ใช่ชั้นดาวดึงเสียแล้วจึงยกทัพขึ้นไป ส่วนเท้าส ก, กะเทวระก็ได้ตระเตรียมเมืองดาวดึงไว้รับเทพอสุรได้วางอารักขาที่ด่านเฉลียงไว้ถึง5ด่านนับแต่ด่านนอกเข้ามาคือด่านชั้นที่1 น, นาหนกรักษาด่านชั้นที่สองครุดรักษาด่านชั้นที่สกุมพันคือทานพรากศรรักษาด่านชั้นที่4พวกยักษ์ทหารรักษาด่านชั้นที่ห้า ท้ามหาราชทั้งสี่องค์รักษาผลด่านเหล่านี้จนถึงนครดาวดึงซึ่งสร้างอินทปติมาคือรูปเหมือนพระอินไว้ที่ประตูเมืองทั้งสี่ครั้นเทวาสุรสงครามเกิดขึ้นแล้วในบางคราอสุรเทพมีกำลังก็ตีพวกเทพบนยอดเขาให้ถอยร่นขึ้นไปโดยลำดับพวกอสุรเทพตีหักด่านทั้งหาขึ้นไปได้แล้วครั้นไปถึง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 ไม่อาจจะตีเอาอสุรบุรีได้ต้องถอยกลับขึ้นมาฉะนั้นเทพนครดาวดึงและอสุรนครจึงได้ชื่อว่าอายุชบุรีแปลว่าเมืองที่รบไม่ได้คือตรงกับคําว่าอายุธยาในเทวาสุรสงครามครั้งหนึ่งเมื่ออสุรเทพยกขึ้นมาพระอินได้ทรงเวชยันตะเทพพรสลงไป รบรับอสุรบนหลังมหาสมุทรสู้อสุรไม่ได้ก็ทรงเทพารสหนีขึ้นมาจากที่สุดมหาสมุทรด้านทักษิณผ่านป่าไม้งิ้วด้วยอํานาจแรงกระเทือนของเทพรสหวกลูกครุดพากันตกมหาสมุทรร้องระงมพระอินทรงเกิดกรุณาจึงสั่งมาตาลีเทพสารถีให้กลับเทพรสเพื่อมิให้สัตว์เป็นอันตรายฝ่ายอสุรซึ่งไล่ตามประชั้นชิด เห็นพระอินทร์กลับเท พ, พรถคิดว่าคงได้กำลังหนุนเกิดความกลัวก็ถอยหนีลงไปสู่อสุรภพฝ่ายพระอินทร์เมื่อเข้าสู่เทพนครแวดล้อมไปด้วยหมู่เทพในเทววโลกทั้งสองคือชั้นจาตุมหาราชและชั้นดาวดึงประทับยืนในถ้ำกลางนครจึงเกิดปราสาทขึ้นคือในบาลีใช้คำว่าสร้างปราสาทในอัถกถาใช้คำว่าผดขึ้น ได้นามว่าเวชยันเพราะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งชัยชนะคือชนะอสุรแล้วจึงสร้างหรือเกิดขึ้นสงครามที่เหล่านี้น่าจะเป็นครั้งแรกครั้นได้ชัยชนะบังเกิดเวชยันตะประสาสตขึ้นแล้วจึงได้วางอรารักขาไว้ที่ด่านเฉลียงห้าชั้นดังกล่าวแล้วพระอินทร์จึงได้เป็นเทวราชครอบครองสวัสดิชั้นนี้และชั้นจาุมหาราช ดังที่กล่าวว่าเป็นเทวราชในเทวโลกทั้งสองแต่พวกเทพชั้นดาวดึงก็อยู่ไม่เป็นปกติสุขนักต้องทำสงครามกับพวกอสุระซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเดิมอยู่เนืองเนืองแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจจะเอาชนะกันได้เพราะต่างก็บำเพ็ญบุญมาด้วยกันจะกล่าวถึงสตรีห้านางในเรือนของมคมานพนางสุธรรมมาสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง เทวสภาชื่อสุธรรมาก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุธรรมาท่านว่าไม่มีที่อื่นจะน่าชื่นชมยิ่งไปกว่าจนถึงกล่าวกันว่าน่าชื่นชมเหมือนสุธรรมาเทวสภานางสุนันทาก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันสะบอกรณีชื่อว่านันทาก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุนันทาแม้นางสุจิตราก็เหมือนกัน ไปเกิดร่วมสวรรค์ชั้นเดียวกันนั้นอุทยานชื่อว่าจิตและดาวันก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุจิตราเป็นที่ซึ่งพวกเทพนำเทพบระบรุผู้เกิดบุพนิมิตไปเที่ยวชมให้เพลิดเพลินฝ่ายนางสุชาดาแปลกกว่าเพื่อนไปเกิดเป็นนางนกยางที่ลำทานภูเขาแห่งหนึ่งพระอินทร์ทรงส่องทิพยเนตรดูบริจาริกาของพระองค์ ทรงทราบว่าทั้งสามนางได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันแล้วข้าแต่นางสุชาดาทรงจินตนาว่าไปเกิดในที่ไหนก็ได้ทรงเห็นว่าไปเกิดในที่นั้นทรงดำริว่านางสุชาดาเป็นผู้เขาไม่ทําบุญกุศลอะไรจึงไปเกิดในกำเนิดเตระฉานทรงคิดช่วยให้นางได้ทาบุญกุศลเพื่อเป็นเหตุนานางมาเกิดในเทวโลก จึงทรงจำแรงพระองค์เสด็จไปหานางนกยางสุชาดาบรรดาลให้นางระลึกชาติได้และให้ทราบว่าพระองค์กับอีกสามนางไปเกิดในดาวดึงส์เทวโลกแล้วทรงทำให้นางปรารถนาจะเห็นหญิงสหายในเทวโลกจึงทรงนำนางไปปล่อยไว้ที่สระโบกรณีนันทาแล้วตรัสบอกสามนางให้ไปเยี่ยมนางสวรรค์ทั้ง3ได้พากันไปยังฝั่งโบกรณีนันทา ได้เห็นนางนกยางสุชาดาจับอยู่ในที่นั้นก็พากันหัวเราะเยาะเ ย, ะเยะ้ยชวนกันให้ดูรูปร่างว่าช่างสมเป็นผลของการเอาแต่แต่งตัวชวนกันให้ดูจงอยปากชวนกันให้ดูแข้งและเท้าชวนกันให้ดูอัตภาพร่างกายว่าช่างโสพาฝ่ายนางนกยางสุชาดามีความละอายขอให้พระอินนำกลับลงไปฝ่ายพระอิน ก็ได้ทรงนำนางลงไปปล่อยในที่ฐานน้ำตามประสงค์ทรงบันดาลให้นางได้รู้คิดและปรารถนาที่พิจสมบัติส่งสอนให้นางรักษาศีลห้าส่งเตือนไม่ให้ประมาทแล้ว เ, เสด็จกลับนางนกยางก็ตั้งใจรักษาศีลเว้นจากการเสพปลาเป็นเที่ยวหาเศษแต่ปลาตายพระอินทร์ได้เสด็จไปทรงทดลองเป็นปลานอนหงายเหมือนตายอยู่บนทราย นางนกยางเห็นเข้าเข้าใจว่าปลาตายก็ตรงเข้าจิกจะกลืนปลากระดิกหางก็รู้ว่าปลาเป็นก็ขาาไปปล่อยในน้ําพระอินทร์ได้เสด็จมาทรงทดลองหลายครั้งจนแน่พระไทยว่านางรักษาศีลมั่นคงก็ทรงยินดีทรงเตือนไม่ให้ประมาทนางนกยางไม่ได้ปลาตายขาดอาหารก็ผ่ายผอมไปโดยลําดับจนสิ้นชีวิต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 ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาของท้าวเวปจิติอสุรินซึ่งเป็นหัวหน้าพวกอสุรในอสุรภพภายใต้เขาสิเนรุผู้เป็นศัตรูของพระอินทร์อสุรกัญญาสุชาดาได้มีรูปร่างประกอบด้วยรูปสิริเป็นพิเศษกว่าเทวกัญญาอื่นๆพระเหตุที่ได้รักษาศีลเป็นอย่างดีท้าวเวปจิติอสุรินมีความหวงแหนยิ่งนัก ไม่ยอมยกให้แก่ใครผู้มาขอทั้งหมดแต่ประสงค์จะให้ธิดาเลือกคู่ด้วยตนเองจึงประกอบพิธีสยุมพรให้ประชุมพลเมืองอสุรเพื่อให้ธิดาเลือกสามีตามแต่จะพึงใจประธานพวกดอกไม้แก่ธิดาเพื่อที่จะเสี่ยงเลือกคู่ครองในขณะประชุมทําการสยุมพรนั้นพระอินทร์ได้ทรงทราบโดยทิพยเนตร จึงทรงเนริมิตพระองค์เป็นอสุรแก่เสด็จไปยืนในที่สุดบริษัทฝ่ายนางอสุรกัญญาสุชาดามองตรวจดูอสุรผู้มาประชุมกันทางโน้นทางนี้ทั้งหมดพอมองเห็นอสุรแก่จำแรงก็บังเกิดความรักขึ้นท่วมหาไทยเหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลมาท่วมทับด้วยอํานาจปุบเพสันนิวาสจึงเสี่ยงพวงดอกไม้ไปยังอสุรแก่จำแลง พวกอสูรทั้งหลายพากันละอายว่าพระราชาของพวกตนเลือกคู่ให้ธิดา ม, มานานจนมาได้อสูรแก่คราวปู่ฝ่ายพระอินทร์ทรงประกาศพระองค์ว่าเป็นเท้าสกัดเทวราชทรงนำอสูรกัญญาสุชาดานี้ไปทันทีพวกอสูรพอรู้ว่าเท้าสกัดเทวราชจําแลงมาก็พากันไล่ตามมาตลีเทพสารถี นำเวชยันตรถไปรับในระหว่างทางพระอินขึ้นประทับเวชยันตรถกับนางสุชาดามุ่งพระพักไปสู่เทพนครเมื่อถึงป่าไม้ยิ้วพวกลูกครุตก็พากันตกใจร้องเสียงแซ่พระอินก็มีรับสั่งให้กลับรถพระที่นั่งเพื่อช่วยลูกครุษไม่ให้เป็นอันตรายพวกอสูรซึ่งไล่ตามคิดว่าพระอินจะได้กำลังหนุนมีความกลัวไม่กล้าไล่ตามต่อไป ก็กลับหลังหนีลงไปอสุรบุรีท้าวสกะนำอสุรกัญญาสุชาดาเข้าสู่เทพนครนางได้ขอพอรให้ได้เสด็จตามไปในทุกที่ทุกแห่งที่ท้าวสกะเทวราชเสด็จไปเพราะไม่มีมารดาบิดาหรือพี่น้องชายหญิงในเทวโลกนี้พระอินทร์ได้ประทานปฏิญาณให้แก่นางตั้งแต่นั้นมาพวกอสุรก็เรียกพระอินทร์ว่าชรสกะ แปลว่าเท้าส ก, กะแก่